ตั้งถือตั้งแต่นั้นมาก็ถือมาตั้งแต่บัตรนั้นที่พระพุทธองค์บัญญัติให้อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมแล้วก็พร้อมกันวัน15คหาคำเป็นวันอุโบสถของพระพระสงฆ์ลงอุโบสถทุกกลึงเดือนต้นเดือนกลึงเดือนเดือนหนึ่งสองครั้งเป็นวันทบทวนศีลของพระ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 สารานิยธรรมมีหกอย่างเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเข้าไปช่วยขนขวายดูแลเพื่อนกันคือภิกษุไข้เป็นต้นใครมีทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ให้เข้าไปช่วยดูแก้ไขเรื่องสถานการณ์นั้นๆในเมื่อเขาได้รับความลาบากทุกข์ยากลาบาก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 ประเทศชาติปันเมืองถ้าเป็นถ้าได้ยึดทาคำสอนของพระพุทธเจ้าทีที่จึงจะไม่แข่งครัอแต่ก็ยังมองดูแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะมีความสงบร่มเย็นผาสุขขึ้นมาได้แต่นี่ไม่ได้พูดบปองดองปองดองอยากจะให้ปองดองแต่ว่าข้างล่างไม่ลวดมีดไม่ั้วหอกไม่ลวาดาบไม่ลวด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 ด้วยกันมีเมตตาเป็นหลักถึงอย่างไรจะไงก็พวกเราก็จะร่มเยนเป็นสุขทั่วนหน้ากันนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกแนะ น, นําแนะแนวบอกพวกเราท่านทั้งหลายท่านว่าให้มีศีลให้มีสัจจะศีลและสัจจะคํานี้นะ่ะที่จะคุ้มครอง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 ไปก็ไปเห็นไฟไฟไหม้มาอย่างอย่างมากนกุ่มตอนนี้ก็เลยแม่ก็หนีหมดพ่อก็หนีหมดเพราะมันหนีตายกลัวไฟนกุ่มตอนนี้ก็บอกโอวนอกจากบา ร, รมีของเราแล้วคงจะไม่มีอะไรคุ้มครองนกุ่มถึงจะเป็นนกุ่มแต่ใจนกุ่มนะั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์รู้ดีรู้ชั่วใจของนกแต่รู้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 หรือว่าบรารมีของข้าพเจ้าสินสัต จ, จักคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินนะนกคุมแต่นั้นมันมันตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะคือสินและสัจจะนะสัจจะคือระลึกถึงคุณงามความดีไฟมาถึงได้นําไฟก็ดับดับห่างกันประมาณสิบหกกรีดนะสรุปแล้วคือคือสิบหกรีด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 คือความจริงจังและจริงใจการจะไหวพระสวดมนต์การจะนั่งภาวนาก็ให้มีสัจจะในการกรรทาพุนงามความดีในเมื่อเรามีสินและสัจจะอยู่ในตัวของเราแล้วนั่นแหละเรามีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าเรามีความทุกข์สิ่งที่เราจะแก้ไขเราก็ลำาลึกถึงสินเราลกถึงสินเรื่องสัจจะ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 แต่ถ้าว่าเป็นผู้ที่ให้ทานรักษาศีลธรรมดาเนี่ยโดยมากจะไปเกิดเป็นมนุษย์และไปสู่สวรรค์จะมากกว่าเพราะนั้นเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างมากให้ทานแล้วก็ใช่เผื่อเนื้อตกต่าเอาไว้เผื่อเนื้อตกต่ายังไงถ้าหลบภาวนาเอาไว้ถ้าไปถึงชั้นพรมก็มาเกิดเป็นอยู่สั้นสวรรค์ก็ยังดีแต่ถ้าว่าเรา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 เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดและแนะ น, นวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันหนึ่งก็แนะเรื่องหนึ่งหรือวันหนึ่งก็แนะให้แนวอีกเรื่องหนึ่งสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราได้หูแจ้งตาสว่างกว้างขวางเพื่อการศึกษาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแนวแถว